เมื่อพูดทั้งเรื่องฝึกหัดจิตก็ต้องพูดทั้งเรื่องอาการของจิตฝึกหัดจิตก็ต้องพูดทั้งเรื่องจิตให้รู้จิตเสียก่อ น, นค่อยฝึกหัดจิตได้ถ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวจิตก็ฝึกหัดจิตไม่ได้ฝึกหัดเขาแปลงนั่นแ่ละมันก็นำไป ตามเรื่องทำลาวเข้ามันไม่รู้จักจุดหมายของที่ตั้งของจิตเห็น <c oughs> นั้นควรที่จะให้จับตัวต้นของจิตได้แลวก่อนอาการมันหลอกมันหลอนมันโกหกมายาท่านเรียกร้ายอย่างไรเรื่อง จิตนำจิตเป็นผู้แปะให้เป็นผู้งผงคู่แต่งจิตเป็นคนหลอกคนรวงจิต <c oughs> มีมายาซาไถจิตเป็นมารจิตเป็นกิเลสหลายเรื่องหลายอย่างท่านพูดทั้งเรื่องจิตทางนั้นไม่พูดทั้งเรื่องทางชั่วไม่ทางดีด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 ที่ที่ฝึกปนแล้ว น, น่มันอยู่นิ่งสงบนั่นแหละควบมสุขยิ่งใหญ่แต่คนไม่ชอบกันพาวิ่งพาว่อนพาปรุงพาแตกพาคิดพานึกทรงสายเดรวยการต่างๆนั่นแหละค่อยชอบ พ่อพิสัยของใจของจิตนั่นมันแต่น้นยแต่ไรมามันไม่อยู่คงที่ประมาณมองกระลิงเต้นเนื่ยงั้นน่ะกระโดดโลดโผว่เนืองั้นคนเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นความสุขความสบาย กระโดดโดดโลดโผนน่ะเข้าใจเรืป็นคนสุขสบายจิตที่สงบที่อบหลมได้แล้วเข้าใจว่าเป็นเครื่องแตะร้อนคือคุมให้มันอยู่คงที่มันไม่โดดโลดโผนเห็นไหมเป็นจิตนั้นอยู่ในบังคับไม่มีสลักความเข้าใจของคนเป็นอย่างนั้น <c oughs> ที่ควบคุมได้แล้วนั้นท่านบอกนำความสุขมาให้ให้คิดดูว่าอันจิตที่ไม่หยุดไม่นิ่งนั้นนะ่ะมันเดือดร้อนรุ่นไหวไปกระซับกระใจไปหาสิ่งที่รักที่ชอบที่ยินดีพอใจก็เพิดเพลิน เ, นเริงใจ ไปถไปถูกสิ่งที่ทุกข์ที่สุที่เศร้าเสียใจก็เดือดร้อนวนวนไหวร้องไห้ร้องหผมมันไม่อยู่นิ่งใดแปลว่าจิตที่เป็นกลางเป็นโอเปกขาไม่มีเลยความเฉยเฉยคือความโอเปกขาไม่มี พวามมันไม่มีนั่นแนะมันจึงเห็นว่าเป็นทุกข์คันเมื่อไม่มีเมื่อมีขึ้นมาแล้วยังเห็นเ่าเป็นทุกข์มันเป็นมิตรใสของจิตต้องดิ้นหล่นอย่างนั้นเคิเข้าใจว่านั้นเป็นความสุขสบายเราทําอย่างไรจึงจะให้ความจึงจะให้ยินดีพอใจกับความสุขอันนั้น ความสงบก็ยังไม่ได้ก็ยังเมื่อได้แล้วก็ยังไม่ยินดีซ้ำอีกมันเหลือกาลังที่จะที่จะน่าให้เห็นได้ฝึกหัดจิตตรงนี้นหละให้เข้าถึงความสงบแล้วเกิดความยินดีพอใจอิ่มใจกับนั้นให้อยู่เขานั้นจึงจะได้ความสุขความสบาย ไม่พอใจก็ไม่ยินดีพอใจก็ไม่เคยควมสุขเหมือนกันแล้วความสุขเราไหนละกันนี่ดีพอใจกับความสงบหลือเปล่าความสุขที่ไหนแค่ไหนแต่ใดนะหาความสุขได้ยากมนุษย์ชาวโลกนี่ตั้งร้อยตั้งพันร้อยเป็นร้อยอะไป หาความสงบสุขไม่ได้ถึงแม้พวกปฏิบัติก็ลองดูเถอะจะอยู่ได้สักคู่ห น, นหนึ่งขนาดหนึ่งเท่านั้นวิ่งว่อนอย่างนั้นน่ะหาความสงบสุขไม่ได้จึงว่ามนุษย์ชาโลกยินดีพอใจในิเวศใสของของหมาคือความทุกข์อันเด็กมันหลอกมันลวง หลงไปตามวิสัยของมันวิสัยชอบวิชายรักวิชา ย, ยินดีพอใจเพืิดเพลินจเจริญรุ่งไปกับสิ่ ง, งต่างๆสิ่งทั้งหลายนั้นหาได้เข้าใจว่าเป็นของไม่มีสาระไหยแล้วยินดีในสิ่งใด เพิดเพินร่วมลงไม่จริงใดสิ่งนั้นไม่ใช่ที่จะมั่นคงทารบอลีวันหนึ่งจะต้องคิปหายเสื่อมสูญจากความเป็นจริงยินดีในสิ่งของวัตถุ ต, ต่างๆเงินทองเขาของสมบัติเรายินดีพอใจชอบใจ สิ่งอันนั้นหาได้รู้จักว่ามันจะปัดผ้าจากเราไหมเข้าใจว่าเป็นของตนของตัวจริงๆนะจกักคืออัตตาคือตนตัวยึดมัน่นถือมัน่นเวลามันเสือ่อมสูญไปเกิดเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนนั่นแหละความสุกขที่ไหนล่ะ สิ่งที่รักที่ถ้าหากเราพัดผ้าจากของรักของชอบใจท่านก็บอกไว้ได้ว่าพัดผ้าจากของรักชอบใจเป็นธรรมดาแต่หากมั น, นไม่เห็นเป็นธรรมดาสิมันเห็นเมื่อของตัวมองตัวที่เกียงจากแท่ที่จริงมันธรรมดามันต้องเป็นเร่อย่างนั้น เราเข้าไปสวงไปลักไปก่อดเ่าเฉยนี่เรียกว่าเป็นของตนของตัวเฉยจริงน่าจะต้องปาะภากจากเป็นธรรมดาปิยโตยัจเตโสโกลักอะไริงไหนชอบอ้จริงไหน ความโศกเกิดจากสิ่งนั้นแะถ้าหากพ่อแม่พี่น้องบุตรหลานของเราเป็นของเราแล้วเธอเป็นของเราพักภาคจากไปมีความทุกโศกแสนที่จะทุกโศกคันหากเป็นคนอื่นคนไกล ที่ไม่ใช่ยากของเราเขาเฉ่เฉยมันเนียเโตยายเต โ, ตโกปโตยายเตพยังภเกิดจากของรักควสุเกิดจากของรักภัยเกิดจากของรัก ภัยงินตรายต่างๆที่เมื่อถึงลูกของเราหลายของเราพ่อแม่พี่น้องของเราเกิดความเดือดร้อนรุนวายเพราะถือว่าเป็นของเราถ้าภัยถึงคนอื่นเฉยเราไม่เห็นเดือดร้อนรุนวายเลย เสี่ญาติโตยมอุปมุตตสานตีโสโกพุทโอย่างว่อถ้าไม่เกิดความรักก็ไม่มีภยัยไม่มีความสุขอันนี้แหละจิตมันหลอกลวงของเขาก็ของเราก็เหมือนกันเกิดมาในโลกนี้เหมือนกันท่าจีน้ำเหมือนกันท่าจีน้ำไฟลมเหมือนกันทุกตัวสัตว ที่เาไปสมมติว่าเราว่าเขานะ อ, น อ, นน อ, อนะ น, านั้นมันยังค่อยทุกข์มันค่อยเป็นโศกมันค่อยเดือดร้อนนั่นแหะมันหลอกสมมติว่าเราว่าเขามันหลอกสมมติว่าตุนโนตัวนัว้นมันหลอกแท่ที่ของใครของเกิด ด, ก ด, ดับเกิดดับอย่างนะั้น จึงควรพิจนารณาอยู่เสมอเสมอว่าของอันนี้เป็นเกิดดับเกิดดับอีกนั้นตลอดเวลาจะเข้าไปยึดไปติดได้ถ้าหากเข้าไปยึดไปจิตก่อนต้องบอกมันด้วยอย่างนั้นมันหลอกลลลอกลวงเราแล้วจิตมันหลอกกลวงเราแล้ว มันเอาลวงให้เราหลงให้โมเมาแต่ถ้าผุ้ได้เจ้าท่านสอนพวกเราสอนนักสอนหนาหัวพวกเราจะเป็นหลงไปหลงตามมันตามเลขคุนมายาเข้ามาันสอนเท่าไรก็ยังไม่ก็ยังไปติดกับเลเขขนของมาันมายาเข้ามันอย่างนั้นแหะ นี่แหละจะว่ามันยากยากตรงนี้เลยยากที่จะละจะถอนตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องละตรงอื่นไม่ต้องถอนตรงอื่นนะจะอยู่ใกล้ิดกับตามไม่อยู่ใกล้แสงไกลก็ช่างเถอะถ้าหากละตรงนั้นแนละ้อยู่ใกล้ชิดกองมันก็อยู่ไกลอยู่ไกลก็ยิ่งแสนไกลออกไป ห่างเหินจากเราตั้งร้อยโยอดพันยอดอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นจะ่พอตัวของเราก็แล้วค่ัเอาตัวของเรานี่เสก่อนเราลักเราชอบเราวยินดีพอใจแขมขาไว้ทุกชิ้นส่วน เธเป็นของตัวเจ็บงูเจ็บตาเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอวก็เข้าใจว่าเป็นของเราแค่ได้จริงจิตมันหลอกเหมือนเกิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันทั้งเป็นโดยอย่างนั้นจริงที่กระทบกระเทือน มันก็กระทบกระเทือนเดื อ, รอดร้อนอย่างนั้นตามเรื่องของของจิตไมตามเรื่องของกายจิตไม่ได้เกี่ยวจิตไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็หมดเรื่องกันไปถ้าไม่เชื่อลองดูจิตเราทำกลมสงบเต็มที่แล้วนะ่ะของนั้นหายหมดไม่มีอะไรหรอกพิจารณาเฉพาะนี้เท่กนน เห็นเฉพาะนี้จริงจังลงไปใช่ก่อนแล้ก็ไปพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปจึงว่าตัวของเราน่ยนะเป็นบทบาทที่ตั้งของธรรมทั้งหลายพิจารณาได้ก็พิจารณาไปเถึะตัวของเราถ้าพิจารณาตัวของเราแล้ว ไม่ชัดเจนในตัวเราแล้วไม่ปล่อยวางในตัวองเราแล้วช mm. ิ้นอื่นไม่ต้อ ง, mm. ไ, มองไม่ต้องพูดมันต้องเกี่ยวข้องทุกเรื่องอื่นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเรงว่าธรรมนี่อยูน่ในที่นี้ mm. เห็นที่นี้เป็นธรรมที่อื่นที่อื่นมันก็เป็นธรรมหมดของอื่นก็เป็นธรรมหมดธรรมคืออะไรก็ท่าสีน้ำไปหลบ เรียว่าธรรมธาตุปีนาเป็นธรรมธาตุความเกิดความดับเป็นธรรมธาตุหนึ่งปีนานี้เป็นธรรมธาตุหรือจิงอื่นนอกจากกายของเราก็เป็นธรรมธาตุทั้งหมดแต่ปีนาอย่างไรอย่างไรไม่จะเป็นธรรมธาตุเราตรงนั้นเน่ยให้มันชัดเจนตรงนั้นเน แค่ที่จริงมันเป็นธรรมธาตุอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุสิมันสำคัญตรงนั้นเลเราเกิดขึ้นมาได้เรียกว่าเอาธาตุสี่เหลี่ไปลงมาเกิดนั่นแหลธรรมธาตมันเป็นแข้งขาไว้ว่าทุกชิ้นส่วนนั่นก็นเป็นธรรมธาตุทั้งหมดแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาต เห็นวเป็นตนเป็นตัวเห็นเป็นเราก็้วเขานมันยังไม่มันยังไม่ลงเป็นธรรมมันเป็นโลกไปเะสมมุติญญตมัญยากไเถะสมมติว่าตนวัตั ว, ต ว, ตวมสมมติฐานวัยยะทุกชิ่งส่วนสมมติว่มันเป็นสมมุติไปเถ้าครับพียั น, นายลงทึงธรรมะท่ า, าแล้ว ไม่มีหลักความขนะดเขานะขมันเกิดดับเกิดดับเพียงนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็ดับลงไปข้องเก่าเกิดขึ้นมาก็ดับข้องเก่าเรื่องธรรมชาตินัไนเองเราไปสวมเขา้าเอาจิตวิญาณนี้เขาไปสวมเขานะดไปถือเอาที่เฉย น, น, นี่นั่นอย่า่ะมันนาแน่นยิ่งกว่านายิ่งกว่ภูเขา มันบังอยู่ตรงนั้นน่ยไม่เห็นชัดตามเป็นจริงของมันตรงนั้นถ้าหากว่เห็นชัดตามเป็นจริงเข้ามาแล้วของนั้นไม่มีหรอสมมุติแบบนี้เฉยๆเนี่ย เราตัวนวตัวเราเข้าสมมติทั้งนั้นถ้าไม่เห็นสมมติแล้วเราไม่ยึดถือกับเป็นสนมุติเทนั้นเองเอาละเทศเท่านั้นเองแป้งสนมาที่ให้แนวแน่ลงเป็นกลางไปก่อน คามเป็นกลางนั่นแหละมันสามารถจะเอียงไปทั้งหน้าข้างหลังได้แต่อดีตอนาคตได้นั่นแ่ละเมื่อตั้งตัวเป็นกลางนั่นกว่าเมื่อไรแล้วนะจะเห็นตัวอดีตอนาคตในความในปัจจุบันด้วยเราตั้งจิตกำหนดที่แรกให้เป็นกลางให คือวอ่าตรงกลางนั้นแค่ก่อนเป็นอ า, ารมณ์เมื่อมันไม่อยู่ก็ น, นึกํำป ร, ริกรรมไปผูกมัดไว้นึกพุโทโธหรืออนาาอิจจติเอาตรงกลางๆนั่นแหะถ้าไม่อยู่ตรงนันะ้นอ่ะไม่มนนวอกแว่งไปที่ไหนถ้ามันออกไปมันไปข้างหน้าข้างหลังมันไปอดีตอ น, นาคต ตัรู้ตัวอยู่สมอว่าน่าจนเป็นจิตไม่ใช่ใจใจมันต้องกลางนีมันจะคอยเป็นใจตัวนี่เป็นตัวเดิมตัวจิตมันเป็นตัวจรไปตั้งหากแน่น้นไม่ใช่ของของเดิมมันพิจารณาจะต้องเข้าหาของเดิม ยังจะดูเรื่องของจิตถ้าไม่รู้จักตัวเดิมเรไม่รู้จักเรื่องจิตถือจิตั้นเป็นตัวเดิมใช่ไม่ได้ครับคือตัวเดิมแล้วไม่คิดตัวเดิมแล้วไม่มันไม่คิดไม่นึกมีความรู้สึกเฉยเฉยนึกสงสัยไปมาอะไรต่างๆนั้นเป็นตัวจิตส่งว่าไม่ใช่รงเฉยมันส่งมบบปรุงแต่งใช่ด้วย มันเล ย, เ, ลยเปิดเปิดเปิใหญ่โเมื่อเข้าถึงตัวใจมันก็หมดเรื่องอะไรนี่ว่าถ้าหาไม่เข้าถึงความสงบคือตัวกลางเมื่อไหแล้วจิตจะไม่มีการนิ่งเลยถ้าเข้าถึงตัวกลางล้วจะนิ่งอยู่เฉยแต่ว่ามันไม่คิดปรุงแต่รู้ตัวอยอยเฉย ตัวนิ่งเก่งวัวนิ่งเลยการที่จะให้เข้าถึงตรงนั้นมันต้องมีปัญญาชาตเฉี่ยแถมคิดนึกสิ่งที่ปรุงแต่งอะ น, นะให้รู้ตัวปรุงแต่งไปจนรู้เท่ารู้เรื่องมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเข้ามันหมด ที่ไปแนละ้วมันจะรวมขเข้ามาเป็นใจของเก่าตัวใจตัวนั้นจึงว่าเป็นของจริงของเดิมแท้เราจะไปเกิดที่แนกเอาตัวใจไนะปเกิดจะไปเกิดพบชาติใดก็เอาตัวใจนะั้นมาเกิดอยู่ในโลกนี้ก็ตัวใจนะั้นไปออกไปจากใจนะไปวุน่วนวี่วนวายซาบะทุกอย่างทุกเป็นโศกเดือดร้อนดุจประการนะั้นแต่ตัวใจตัวนั้นนะ ยังรักษาใจนะให้สงบ อ, อ, อยู่นิ่งเข้าถึงใจกลางเป็นเชี่ยรู้เรื่องของจิตเอาเท่านี้และไม่ต้องออกมาก <c oughs>